ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องลักษณะของชาพุทธแท้้โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่6มีนาคม2532ณนะพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติตาราฟังได้นะบัดนี้ ศึกษาจริงๆเรารู้จักชีวิตกันมากขึ้นแล้วนี่คือเรารู้ธรรมชาติกันมาแล้วน ะ, ะธรรมชาติของชีวิตเนี่ยแต่ก็ตเรางมงายใช่ไหมเรานึกว่าชีวิตนี่จะต้องโอ้มันเหลือเกินจะต้องประกบประงมมันเหลือเกินโอ้จะต้องเทิดทูนมันเหลือเกินแต่หน้าตาเนื้อตัวผมเผาอะไรทุกอย่างเนี่ยโอ้ยิงย่งผู้หญิงเนี่ยโอ้ยสางแล้วสางอีกวีแล้ววีอีกวันหนึ่งไม่รู้กี่เที่ยว น้ำมูกน้ำมันชโลมมันยังง้นอย่างนี้เหลือกำลังวังชาหน้าตาได้ผัดแล้วเช็ดอีกถูแล้วผัดอีกอะไรเงี่ผิวพันเนื้อตัวเดี๋ยวให้มันกินให้มันอยู่ให้มันพักให้มันนอนให้มันนั่งประคบประงมมันละเกินไปคี้ข่ามันอะไรกันนักกันหนาใช้มันที่ชีวิตร่างกายเนี่ยรู้แล้วว่าความพอเหมาะพอดีมันแค่ไหนเราไม่ต้องไปบำเรอมันจะถึงขนาดนี่เราก็รู้จักธรรมชาติรู้จักชีวิตที่แท้จริงขึ้นมา นีกอธิบายให้ฟังหยบหยาบก่อนนะเราเข้าใจมันแล้วโอแ้แต่ไหนแต่รายเราไม่เค ย, เ ร, ยเรียนรู้มาอย่างนี้มีแต่หลงกับเข้าปลา้าปลโลมโฆษณาหลอกลว ง, ลงหลงไหลกับมันเป็นาธาตุมันเหลือกําลังวังชาพอเราไม่เป็นาธาต์ท่นั้นเราอิสระเสรีขึ้นมารู้ความจริงขึ้นมาแล้วเ ร, เราก็ลอยตัวขึ้นมามเบาขึ้นมาตั้งเยอะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายโอ้ยิง่งโดนผู้หญิงด้วยเราโอโหเป็นาธาต์สารพัดสารเพยตั้งแ ต, แต่หัวจดเท้า โอ้หมดเลยนี่ว่าต้องไปต้องโง้ต้องแต่งนกแต่งเด็บต้องถัดต้องง้ต้องพาต้องนั่นต้องนี่อ๊้เหลือกําลังวงชาเลยมันเกินไปเกินไม่รู้เกินไปเท่าไหร่นักนาสาการจริงจริงชีวิตนี่เสียเวลาเสียทุนรอนเสียแรงงานเสียอะไรไม่เสียละเสียอะไรไม่เสียท่าแต่ก็เสียความโง่มันชัดมันไม่ฉลาดมันโง่แม่มันไม่เสียโง่ ไม่รู้เสียค่างโง่มาตั้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยเสียค่างโง่กันมาคนเรตั้งเท่าไหร่แล้ว่มันโง่ไปจริงๆใช่ไหมพอเรามารู้ธรรมชาติความแท้จริงนเราเราจะได้เห็นโอ้ชีวิตของเรามันเป็นอย่างงี้เองแล้วมันก็รักษามันง่ายกว่ารักษามันง่ายกว่าแต่ก่อนมากแล้วมันก็มีกําลังวังชาดีกว่าแต่ก่อนด้วยแต่ก่อนนี่ประคบประงมมันเกินไปอ่อนแอ นอกจากอ่อนแอที่ประกบปงมมันโดยที่เร็วประกบผมไอ้สิ่งใดก็แล้วแต่ประกบผมมากมันอ่อนแอไม่ให้มันช่วยตัวเองมันอ่อนแออยู่อยู่แล้วอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่เท่านั้นไปเอาอะไรพิษภัยไอ้ถาดเคมีอะไรอะไรก็แล้วแต่มาเปะให้มันลงไปเข้าไปอีกแทนที่มันจะอ่อนแอที่เป็นประกบปงมไปโอมันมากแล้วยังเอาอะไรมาเปะมันลงไปอีกให้มันสูญเสียเสื่อมซ้ำลงไปอีกมันก็ยิ่งแย่ใหญ่ะชีวิตของเราเนี่ยได้พ้นภาวะโง่พ้นภาวะที่ เราไม่เข้าใจธรรมชาติไม่เข้าใจสิ่งจริงไม่เข <bir Witness> <sm> ้าใจสิ่งที่ถูกต้องอย่างพอเหมาะพอดีเราไม่เข้าใจเรามาเข้าใจแล้วนี่ก็ดีแล้วนี่ชีวิตร่างกายนะจิตใจเราก็เป็นชีวิตจิตใจเราก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าธรรมชาติอันนี้มันลึกซึ้งมากลึกซึ้งจนกระทั่งว่าเราใช้ให้มันเป็นธรรมชาติจิตวิญญาณของพระอรหันต์นี่นะเป็นจิตวิญญาณที่เป็นธรรมชาติธรรมดาแต่มันเหนือธรรมชาติอีก ถ้าธรรมชาติธรรมดามันก็จะเป็นไปเท่าที่ตัวเองจะปล่อยให้มันคิดมันนึกเท่านั้นเองแล้วมันก็ไม่มีอุดมการณ์แล้วมันก็ไม่มีคุณค่าประโยชน์ส่วนพระอาหารหันต์ของพระพุทธเจ้านั้นมีคุณค่าประโยชน์มีอิทธิบาทมีเมตตามีพระหูชนหิตายะพระช น, รชนสุขายะโลกานุ ก, กรรมปายะรู้จักความมีประโยชน์ของชีวิตเกิดมาเป็นคนคนนึงตั้งแต่เกิดจนตายถ้าบรรลุพรพระอาหารตตั้งแต่เด็กเลยโอ้จะมีคุณค่ามากเลย เพราะว่าเราจะมีคุณค่าสร้างสรรค์ในแก่มนุษย์สร้างสรรค์มีสมรรถภาพมีอะไรดีก็ทําให้แก่มนุษย์โลกเข้าไปเป็นผู้รับใช้โลกโลกการุกรรมปายะเป็นผู้อนุเคราะห์โลกเป็นผู้เกื้อกูลโลกรับใช้โลกนะสร้างสรรค์เป็นผู้เสียเปรียบให้แก่โลกให้แก่มนุษย์อื่นๆเพราะว่าเรากินเราใช้เราใช้เรากินไม่มาก เราสันโดดได้แล้วน้อยได้แล้วเพราะฉะนั้นเรากินจะใช้ไม่เปลืองหรอกและสุขภาพร่างกายเราก็ไม่ไม่เสียหายไม่ได้อัดตกิรลมะาโนโยกไม่ได้ทรมานท ร, ร, รมารย์อะไรมันแข็งแรงสมบูรณ์ดีอยู่เราใช้มันให้รู้จักสัสดส่วนความแข็งแรงถ้าไปทรมานมันเกินไปมันก็จะเสื่อมได้เหมือนกันเราก็เข้าใจรู้จักใช้ชีวิตชีวิตของเราเราเป็นเจ้าเป็นนายของชีวิตเราเอง ไม่มีใครมาเป็นธาตุธาตุจิตวิญญาณฉลาดขึ้นไม่ใช่ฉลาดเช็คกระตาไม่ใช่ฉลาดเช็โกไม่ใช่ฉลาดแกมโกงแบบสมัยก่อนสมัยก่อนเราฉลาดแกมโกงเอาเปรียบเอารัดได้เปรียบได้รัดแล้วก็สวบสวาปามตะกราตะกรามขอบโกย เ, ออเห็นแก่ตัวเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะต่อมาเราเห็นแล้วว่าไอความเห็นแก่ตัวมันเป็นความเลวของมนุษย์ความเสียสละนี่เรารู้แล้วว่าเราเสียเปรียบ เราไม่ได้ไเอาเปรียบแล้วเราก็ไม่ได้ว่าแค่ไม่เอาเปรียบเท่านั้นน ะ, ะไม่ใช่แค่ไม่เอาเปรียบเรายังยินดีที่จะเสียเปรียบเราเรียกเต็มๆว่าเสียสละรู้ทั้งรู้นะว่าเราเสียสลักเราเสียสละให้ไปเรากินเราใช้เราพอแล้วเราไม่ไปกอบไม่โกยไม่หลงไหลได้ปลื้มได้หลงไหลกอบโกย อ, อะไรสะสมอะไรเราก็ไม่เป็นอย่างนี้เป็นตน้น ชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นชีวิตที่เห็นชัดเจนเลยว่านี่เป็นความสมบูรณ์ของมนุษย์เป็นความประเสริฐของมนุษย์มนุษย์ประเสริฐก็เกิดมามีชีวิตไม่ไร้ค่าไร้คุณไม่เหมือนสัตว์สัตว์ได้ราชาเนี่ยมันก็อย่างนั้นกินกินอยู่อของมันมันก็ไม่เบียดเบียนใครสัตว์บางตัวมันไม่เคยไปเบียดเบียนอะไรเลยนะสัตว์หลายประเภทมันไม่เบียดเบียนอะไรชีวิตของมันก็ก็อยู่ของมันตามประษากินกินขี้ขเยี่ยวเยยวมันอยากจะระเริงอะไรของมันก็ตามรูปตามเรื่องของมันตามอารมณ์ของมันเท่าที่มันมีมันก็อยู่ของมัน มันไม่มีเบียนเบียนนนดีอะไรนักหนาสากันเท่าไหร่เลยนะมันไม่หิวมันก็ไม่ไปหามันไม่หิวมันก็ไม่ไปสัตว์มันจะกินสัตว์ก็ตามใจหรือสัตว์มันจะกินพืชก็ตามใจมันก็ไม่ไปทํานะไม่เอาเปรียบไม่กอบโกยกินก็แค่อิ่มอิ่มแล้วมันก็หนีทิ้งด้วยมันกินอิ่มแล้วมันก็ทิ้งนะอาหารด้วยเหยื่อที่มันหามาได้กินแล้วทิ้งไม่กักตุนไม่กอบโกยไม่สะสม แต่คนนี่แหมรายกาศมากเอาเปรียบเอารัดโลภโมโทสันมีมากกินขนาดสามชั่วคนยังไม่หมดเลยก็ยังไม่พอห้าชั่วคนกินใช้ก็ยังไม่หมดแล้วก็ยังไม่พออะไรอย่างนี้เป็นต้นหาวิธีการช่อชนเยอะแยะสังคมจึงไม่เป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าเป็นมนุษย์แล้วก็หลงไหลไปอย่างนั้นเนี่ยทีนี้เมื่อเรามาเรียนรู้แล้วเราก็เลยกลายเป็นคนที่เยี่ยมยอดประเสริฐนะเท่ากับเราได้ ออกจากบ่วงความเข้าใจของมนุษย์แต่ก่อนนี้มนุษย์ที่เป็นโลกียะธรรมดาตัดเราออกจากบ่วงความเข้าใจที่มันเหลวไหลทำตนเองไร้ค่าเป็นบาปเป็นหนี้ไม่มีคุณค่าไม่มีบุญเราไมา่รู้บุญรู้บาปที่แท้จริงเราไม่มรู้คุณค่าที่แท้จริงคุณค่าจริงๆนั้นเสียสละคุณค่าจริงๆไม่ใช่เอาเปรียบไม่ใช่ได้มากไอ้จะสร้างสรรค์มากนั้นเราก็เข้าใจ มีสมรรถภาพเราสร้างอิสระเสรีภาพออกมาได้มีสมรรถภาพอิสระเสรีภาพไม่ใช่บำเรลอต้นอิสระเสรีภาพคือหมดความเป็นภาอย่างแท้จริงเนี่ยที่เราก็อธิบายกันมากมายเรามีเราสร้างแล้วเราก็ถึงได้เห็นว่ามนุษย์อยู่รวมกันเป็นพระราดลภาพเราจะเห็นความเป็นพระราดลภาพอย่างสวยงาม พราเรานี่มีพระราดลภาพนี่คุณจะทราบซึ้งอัตมาบอกแล้ ว, วความเป็นพี่เป็นน้องแม้แต่อยู่ในกฎระเบียบก็ก็ต่างขอสังเกตเอาไว้ให้ฟังในกฎระเบียบที่เราอ่านทุกคนฟังทุกเดือนนั่นนะว่าความเป็นพี่เป็นน้องกันนี่มันลึกซึ้งมากมายนะมันเป็นความเป็นพี่เป็นน้องกันความหมายความเป็นพี่เป็นน้องคืออะไรต้องรู้ความหมายแล้วเราก็มีแก่กันและกันไม่จําเป็นจะต้องคลอดจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกัน จากท้องพ่อท้องแม่ก็เป็นพี่เป็นน้องอยู่แล้วละ่ะแต่พฤติกรรมมันไม่เป็นตามเนื้อหาแก่นสารที่เราหมายว่าสาระแก่นสารของความเป็นพี่น้องมันคืออะไรคือความเอื้อเฟือ้อเอืเ้อกลูเลี้ยงดูพึ่งพากันได้ อ, อย่างแท้จริงพ่อแม่พี่น้องสายเลือดครอบครัวมันต้องพึ่งพากันได้จริง อย่างนั้นจึงเรียกว่าความเป็นพี่เป็นน้องมีอะไรก็แบ่งกันช่วยเหลือ ก, กันเกื้อกูลกันทดแทนกันเลี้ยงดูกันไปอย่างแท้จริงนี่พี่น้องที่แท้เพราะฉะนั้นเมื่อพฤติกรรมนี้แท้แท้มันมีเนื้อหาอันนี้แล้วคุณสมบัติอันนี้มันมีอยู่ในคนแล้วไม่จําเป็นจะต้องคลอดมาจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกันไม่ต้องเป็นสายเลือดไล่สายเลือดมาตามสายเลือดเดียวกันเท่าที่เราไล่ได้ไม่ต้องก็ได้ก็มีความเป็นญาติมันพระราดอลภาพที่ ถูกต้องเนื้อหาสาระที่จริงนะ่มันลึกซึ้งกว่านั้นไอ้ความเป็นพี่เป็นน้องกันความเป็นสิ่งที่ได้เกื้อกูลกันมาโดยวาสนาบา ร, รมีด้วยสายสัมพันธ์อันลึกลึกซึ้งชาติปางไหนปางไหนมันมีอีกด้วยอาตมาเองอาตมาไม่อยากจะพูดสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นอจินไต่มากกว่านั้น ต่างเคยเป็นพี่เป็นน้องเคยเป็นพ่อเป็นแม่เคยเป็นลูกเป็นหลานแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็เคยตรัสพวกเราด้เกิดมาเคยเป็นพี่เป็นน้องเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นผัวเป็นเมียเป็นอะไรอะไรกันเห็่มันนักหนามากมายได้ศึกษาสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องก็เคยไม่ได้ศึกษาก็เคยเป็นไปตามวิบากมีกันมากมายกว่านี้เพราะฉะนั้น นั่นเป็นนั่นก็นอีกมุมหนึง่งความเป็นพี่เป็นน้องที่เป็นอาจินตายที่อาตมาไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่อยากจะพูดมากแต่ก็พยายามที่จะแนะนำสิ่งที่ถูกต้องที่ว่านี้ให้ฟังเท่านั้นนะให้เข้าใจเราสร้างห้าภาพนี่ให้มันได้สมบูรณ์มีคนมาทักอาตมามเหมือนกันว่านี่มันขาดไปนี่ห้าภาพนี่ขาดไปภาพหนึ่งอาจารย์อิกิตนะ ผู้ช่วยดรสมบัติที่ทําวิจัยปฐมส่งไปคุยกัตมาแล้วก็ทักว่าเราขาดไปภาพหนึ่งภาพอะไรรู้ไหมขาดไปอะไรภาพรู้ไหมมอิสระเสรีภาพสันติภาพสมรรถภาพไออิสระเสรีภาพพระราดลภาพสันติภาพสมรรถภาพบูรณภาพเนี่เขาว่าเอจัดไว้ห้าภาพนี่ก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าขาดภาพที่สําคัญไปภาพหนึ่งนะวังเงนมนุษย์จะต้องมีต้องเป็น นึกออกไหมใครเห็นใครนึกออกไหมคนที่รู้แล้วไม่พูดนะอาจจะมาพูดมาแล้วที่ปฐมเอาเลยเชนน่ะนน่รู้มาแล้วเราทําเป็นเก่งเทศมารแต่ที่ปฐมแล้วพูดมาแล้วที่ปฐมแล้ว ม, มีใครนึกออกหรอเสมอภาค ฟังดูก็โอโหสําคัญนะแต่ธรรมาก็เคยนึกรู้เคยเห็นเหมือนกันเคยได้ยินก็พูดแล้วก็เคยเข้าใจดูเหมือนจะของฝรั่งเศสเขามีใช่ไหมสเสมอภาคสสเสมอภาคไม่ใช่ความจริงไม่ใช่สัจจะไม่มีในโลกนี้ไม่มีความสเสมอภาคมันเป็นคําประโลมคนเท่านั้นเองประโมประเลาคนได้บอกว่าเออคนรวยมันถ้าจะไปบอกว่าเองรวยนี่เองก็จะต้องพยายามเนี่ยลดลงมาฝากเขาหน่อยสิ มันไม่ทำหรอกก็แค่แค่แบบแหมแบ่งแบ่งกันให้มันพอๆกันหน่อยสิให้มันเสมอๆกันหน่อยสิอย่าเอาเปรียกกันมากนะสิอย่าไปเอาเนือกันมากนะสิมันไปเข้าประลับประโลมเท่านั้นเองถ้าจะบอกว่าให้มาเสียสละนะมันไม่เอาแล้วโดยจิตวิทยาใครมันจะมาเอาให้เสียสละให้มันน้อยกว่ามันก็ไม่เอาใช่ไหมบอกให้ให้มาเสียสละมันไม่เอาแต่โดยสัจจะนั้นความประเสริฐอยู่ที่เสียสละสัจจะที่ถึงที่สุดและคนที่ดีที่สุดคนที่ประเสริฐที่สุดคือคนที่เสียเสียสละ คือคนที่เสียเปรียบที่สุดไม่มีความเสมอภาคโดยสัจจะอาตมามาสอนพระคุณสัจจะไม่ได้สอนให้คุณไปเสมอภาคสอนให้คุณไปเสียเปรียบโดยสัจจะที่เป็นจริงแล้วพระอรหันต์เจ้าจะเสียเปรียบเป็นผู้รับใช้ประชาชนเป็นผู้นิสสสมทำมากเอาน้อยให้คนอื่นมากด้วยการที่เราทำมากเอาน้อยแล้วให้คนอื่นมากๆนี่เป็นความเลวหรือความดี น้อยความเดยนเพิ่มดีน้อยยังตอบได้เลยน้อยยังตอบได้เลยว่าเป็นความดีเราสร้างมากๆทํามากๆแล้วเราให้เขามากๆเราเอาไว้แต่น้อยนี่เราเสียเปรียบใช่ไหมใช่ไหมแล้วเราทาเราทาไม่ได้เราต้องเอาไว้ให้พอดีพอดีกันคุณทําคุณก็เอาของคุณสิคุณทํามากคุณก็เอามากคุณทําน้อยก็เอาน้อยี่เสมอภาคหรือแม้คุณจะทามากเอามาแบ่งกันเท่าๆกัน จะต้องเท่าๆกันทำไมก็เรามากน้อยได้แล้วไม่ต้องแบ่งต้องหามมากอ่ะถ้าเราแบ่งให้เขามากๆได้เราก็เป็นอยู่สุขของเราเราก็พอมีสนันโดษของเราเราไม่กลัวตายแล้วเราก็ไม่ดอยไม่น้อยอะไรแจกจ่ายคนอื่นมากๆเราสร้างได้มากๆเราให้คนอื่นมากกว่าที่เราจะเอาไว้แล้วเราก็อยู่ได้ของเราไม่มีใครมาบางังคับเราหรอกเรามีสิทธิ์ใช่ไหมเราสร้างเองเราก็มีสิทธิ์แต่เราเอาไว้น้อยแล้วเราก็อยู่ได้พอใจสบายแล้วมันเสียอะไร มันอุดมสมบูรณ์ซะอีกมันก็เกิดการไม่แล้นแค้นไม่แย่งคริงไม่ขาดแคลนใช่ไหมมันดีทั้งนั้นอัตมาตอบอาจารย์นี่ไปคงจะได้คิดกันพอสมควรว่าเสมอภาคนี่ถือว่ายิ่งใหญ่นักหนาที่แท้จริงมันรวงรวงโลกมันประโลมโลกมานานแล้วครับว่าเสมอภาพนี่เสมอภาพเสมอภาคอะไรกันเนี่มันไม่เสมอไม่มีอะไรเสมอกันหรอกอัตมาเคยพูดที่ซ้ําไปว่าแม้แต่ปรมาณูสองตัวก็ไม่เท่าเทียมกันไม่เสมอกันไม่มีอะไรเสมอกันเลย เทียบให้ตายยังไงก็ไม่เสมอถ้ามีความละเอียดในการวัดวัดกันถึงไม่มีอะไรเท่ากันไม่มีอะไรเสมอกันในโลกนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่มีเราก็รู้สัจจะสวรรมันไม่มีแล้วอะไรละดีเสมอภาคดีไหมทำได้มันก็ดีที่แต่มันเป็นไปไม่ได้มัน o s มพอ e ิรโลกนี้ทำไม่ได้ให้ทำให้ตายก็ทำไม่ได้เสมอภาคเน่เป็นเป็นอุดมการเป็นปรัชญาเป็นฟิโลสโฟีลอยลมเท่านั้นเอง เป็นคำปรนที่เป็นไปไม่ได้เท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่พูดกันหรือว่าไดเอามาใช้กันแต่มันไม่เป็นไปได้ยากนะเพราะนั้นเราก็เลยไม่ทำเราก็เลยไม่มีเรามียิ่งกว่านั้นไม่เสมอภาคเราเสียสละเราไมเป็นผู้เสียสละสร้างสรรค์เสียสละมีสมรรถภาพเาเสียสละให้ได้เราเห็นว่าเป็นตัวถ้าจะมีเติมเข้าไปเเสียสละแต่ว่าเสียสละมันอยู่ในอิสรเสรีภาพอยู่แล้ว เพราะว่าคนที่จะอิอสระเสรีภาพก็คือคนที่มีสมรรถภาพคนที่มีภารดรภาพอย่างแน่นอนอยู่แล้วมีบูรณภาพมีความเต็มคนที่เสียสละได้ก็คือคนที่เต็มเมื่อเต็มแล้วเราก็ให้ก็ใ ห, กให้ก็เต็มถึงให้ไปเท่าไหร่เราก็ไม่พร่องอันนี้ฟังแล้วมันลึกซึ้งนะเราให้ให้ก็าอยู่นั่นแหละเราก็ไม่พร่องให้เท่าไหร่ก็ไม่มีพร่อง อะไรคุณรู้ไหมให้เท่าไหร่ก็ไม่มีพร่องอะไรรู้ไหมฮะให้ทางจิตวิญญาณให้ทางจิตวิญญาณนะให้ในสิ่งที่เราเป็นความรู้เป็นความสามารถโดยเฉพาะให้ความรู้แก่คนนี้ให้เท่าไหร่ก็ไม่มีพร่อง ให้น้ำใจให้เท่าไรก็ไม่มีพร่องมีแต่จะเจริญให้น้ำใจให้ความเมตตาให้เท่าไรก็ไม่มีความพร่องให้ในด้านสิ่งที่เป็นกุศลมีไม่มีพร่องให้ไปยิ่งให้ไปยิ่งได้มายิ่งให้ไปยิ่งยิ่งพอกปูนยิ่งให้ไปก็ยิ่งเจริญงอกงามโจรปล้นไม่ได้โกงกันไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้เราจะต้องมาพิสูจน์ แล้วก็มาสร้างให้มีให้เป็นในตนคนพบไม่ได้จนมีจนเป็นในตนแล้วเราจะเป็นคนที่อยู่ในสังคมอยู่ในโลกนี้อย่างเป็นคนที่มีคุณค่ามีคุณค่าจริงๆนะแล้วเราก็มารู้ธรรมชาติเราจะมาเคารพดินน้าไฟรบไฟลมเราจะมาเข้าใจว่าเออไอดินนี่มันดีดินดีงามดินสมบูรณ์ดินที่มันไม่เจ็บไม่ป่วยดินที่มันไม่พิการ ดินที่มันมีคุณค่าอย่างเต็มที่ของมันเป็นอย่างไรเราจะมาศึกษาและช่วยกันทุกวันนี้มีแต่คนทำลายมีแต่คนโหดร้ายต่อดินต่อน้ำต่อไฟต่อลมคนโหดร้ายจริงๆนะโหดร้ายต่อสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งมันตายดินก็ตายน้าก็ตายเดี๋ยวมันตายจากเราไปหมดนอกจากมันตายแล้วยังไม่พอด้วยนะมันเป็นของเสียอีกตายแล้วก็เป็นตูพิษ เป็นตัวเน่าตัวเฟ้อตัวพิษตัวเชื้อโรคดินเป็นเชื้อโรคน้ำเป็นเชื้อโรคไฟเป็นเชื้อโรคลมเป็นเชื้อโรคคนจะอยู่ที่ไหนคนจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวนี้มันก็เป็นให้เห็นแล้วไม่น้อยแล้วนะเจนเจนจะหมดอยู่แล้วเจนเจนจะดินก็เป็นเชื้อโรคหมดน่าก็เป็นเช pues ื้อโรคหมดไฟลมอะไรเป็นเชื้อโรคไปหมดเป็นพิษร้ายไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ แล้วก็แยกกันใครไม่สํานึกใครไม่รู้ตัวเราก็ก็ไม่รู้จะไปทํำยังไงอ่ะแม้รู้ตัวแล้วเขาก็ไม่ไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงก็เรื่องของเขาแต่เรานี่ต้องเห็นความสําคัญนะต้องเห็นความสําคัญจริงๆเลยว่าทุกวันนี้เราจะต้องมาแก้กลับต้องมาพยายามบํารุงดินน้ำไฟลมจะต้องมาเรียนรู้จริงๆเลยว่าดินอย่างไรที่ดินที่จะให้คุณค่าประโยชน์เป็นธรรมชาติเป็นชีวิต เป็นชีวิตที่เต็มคุณค่าของเขาดินที่มีคุณค่าจะเป็นอย่างไรดินที่เราจะเอามาใช้ตรงนี้ดินอย่างนี้มาใช้อย่างนี้ว่าเป็นคุณค่าที่สมบูรณ์ของเขาถ้าดินนี้จะไปเป็นดินที่จะต้องทําปฏิกิริยาสร้างสรรค์กับธาตุพืชธาตุอะไรต่ออะไรที่มันจะสังเคราะห์กันเข้าไปมันจะเป็นอย่างไรที่มันเป็นคุณค่าเป็นดินเป็นเป็นดินที่มีชีวิตอย่างนั้นสมค่าสมธาตุของมันจะเป็นอย่างไรน้ํา น้ำอันนี้จะต้องมาใช้อย่างนี้น้ำไม่้จะมาใช้อย่างนี้แล้วน้ำที่จะอยู่อย่างนั้นที่มีคุณค่าเป็นธาตุที่สดชื่นสมบูรณ์มีพลังดีดินมีพลังดีน้ามีพลังดีไฟมีพลังดีลมมีพลังดี <c oughs> เพราะว่ามันมีความสดความหนุ่มมีสมาธหัง่งมีสมาธหั่งมีความสดความหนุ่มแข็งแรงมันจะเป็นอย่างไรชีวิตที่สมบูรณ์ของเขา เราทําตนของเราอะและอาตมาที่มาไปแต่ตนแลว่าเรามาทําตนของเราว่าไม่เป็นทาตและเป็นชีวิตที่แข็งแรงเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แต่ก่อนเราเป็นทาตมากมายนี่เราป ล, ปลดปล่อยตัวเราเองออกมาจากความเป็นทาตได้ต่างมากไม่ต้องไปบําเบอไม่ต้องไปหลงคบปะงมงมงายอะไรเกินไปแล้วเราก็กลับเป็นคนที่แข็งแรงสมบูรณ์พอมเหมาะพอดีของเราสร้างสรรค์ได้มีกําลังบังชามีพลัง เราทําชีวิตเราได้เราก็มีส่วนเหลือที่เราจะไปช่วยดินช่วยน้ําช่วยลมช่วยไฟเราไปช่วยช่วยให้เขามีพลังขึ้นมาในโลกอาศัยกันคนอาศัยดินอาศัยน้ําอาศัยไฟอาศัยลมอาศัยจริงๆนะเราไม่ใช่คนมืดบอดเราต้องอาศัยเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักกันรักดินรักน้ํารักไฟรักลม แล้วเราต้องรักความคําว่ารักคํานี้ต้องเข้าใจความหมายให้ดีๆเราต้องรักเราต้องเมตตาปราณีเราต้องเห็นแก่ชีวิตมีเมตตาโอ้เมตตาดินเมตตาน้ำเมตตาไฟเมตตาลมอย่าไปพูดถึงว่าเราต้องเมตตาแต่แค่คนเลยคนเราก็ต้องเมตตาสัตว์ก็ต้องเมตตาต้นไม้พืชผักธัญญาหารเราก็ต้องเมตตาไม่ใช่ทาอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ใช่ทำอะไรก็ทา ทำเลวทำร้ายทำอย่างไม่ปราณีปราศัยแก่กันและกันอาตมาพูดนี่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นโวหารภาษาเท่านั้นเราจะต้องฝึกฝนอบรมฝึกฝนอบรมให้เรามีจิตมีใจมีญาณสัญชาตญาณเป็นสัญชาตญาณแห่งความเอื้ออาทรต่อกันและกันไม่ว่าจะมนุษย์เท่านั้นทั้งดินน้ำไฟลมสัตว์พืชต่างๆต้องเป็นผู้ที่มีน้ำใจมีจิตใจที่เอื้ออาทรต่อกันอย่างแท้จริงนะ เห็นแน่นอนในนิตที่จะช่วยเหลือเฟือไฟได้ไม่เห็นว่าเป็นสิ่งหน้าดูดายเป็นสิ่งที่มองข้ามเราจะต้องเป็นคนที่ไม่มองข้ามไปทีเดียวเออไอนี้ก็น่าช่วยนะเห็นนั่นเท่าที่เรามีแรงงานมีเวลาเท่าที่เราจะเกื้อกูลได้นะไม่ว่าจะเป็นดินไม่ว่าจะเป็นน้าเป็นไฟเป็นลมเป็นต้นหมากรากไม้เป็นจิตเป็นหินเป็นอะไรก็แล้วแต่ อะไรที่จะอยู่ในฐานะที่เออถ้าอย่างนี้จะดีกว่าเราจะทําพื้นตรงนี้ควรสะอาดควรสะอาดพื้นตรงนี้ควรมีอย่างนี้แหละเป็นปุ๋ยเป็นเชือ้อเป็นอนไรนนี้ที่เขาจะเกิดเขาจะเป็นหินก้อนนี้ควรจะอยู่ตรงนี้ดินตรงก้อนนี้ควรจะเป็นอย่างนี้อันนี้ควรจะเป็นระเบียบบ้างอันนี้ควรจะเป็นไปตามธรรมชาติอย่างที่มันเป็นอะไรก็แล้วแต่เราจะรู้สภาพของมันขึ้นไปใอ้เข้าใจดินอันนี้นมันไม่ดีนะจัดแจงให้มันหน่อย นามันนี้ไม่ดีน ะ, จ, ะจัดแจงให้มันหน่อยไม่ใช่ดูดาไม่จะเป็นคนใจจืดใจดำเราจะมีน้าใจไปให้มันกว้างไปหาที่เปรียบไม่ได้อย่างนี้แล้วเราจะเข้าใจเราจะมีความรู้ไม่ต้องไปรู้ปรามาูนไม่ต้องไปรู้เจรวดจรดอะไรก็เข้ามากมนะายนักลอกพวกนั้นมันเฟอ้อเกินไปทั้งนั้นนะ่ะแล้วไ อ, อพวกนั้นแหละทาลายโลกทาลายวัสดุทำลายทรัพยากรของโลกอย่างมหามหาัน ทำลายได้ความอวดดิบอวดดีเกินไปมันเกินมันไปไม่รู้ตั้งถึงเท่าไหร่เราพูดเขาก็ไม่ฟังหรอกเพราก็าถือว่าเขาได้ประโยชน์กันอยู่เดือนนี้แต่เขาทิ้งสิ่งที่มันเป็นรากฐานของสังคมรากฐานของมนุษย์รากฐานของโลกที่เรากำลังหันมาสนใจเนี่ยเราสนใจกับดินน้ำไฟลมสนใจกับความสัมพันธ์อันมีความพอเหมาะพอดีกัน ให้เข้าใจสถานะภาพของแต่ละอย่างแ ต, Wang, แต judge, ่ Hari, feast, manners, ละอย่างว่ามันดีที่สุดอย่างไรดินดีที่สุดอย่างไรน้ำดีที่สุดอย่างไรไฟดีที่สุดอย่างไรลมดีที่สุดอย่างไรต้นไม้ดีที่สุดอย่างไรก้อนหินก้อนดินมันดีที่สุดอย่างไรถนนหนทางกันแล้วแต่พอเหมาะพอดีบ้าน family, ช่องเรือนชานผู้คนสัตว์ต้นไม้รากไม้อะไรก็ตามแต่นี่คือความพอเหมาะพอดีมัชชิมาทั้งนั้นแหละ ที่พุทธเจ้าท่านสอนเราในคําเดียวเท่านั้นแต่มันกินไกลกินกว้างแล้วเกินนี่อาตมาขยบวิชาความรู้มาให้เราเรียนรู้มัชฌิมานี่สูงขึ้นมาอีกแล้วเราจะทํำยังไงให้มันดีให้มันได้สัดส่วนที่พอมเหมาะเป็นสภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์มีพลังสดชื่นนุ่มอยู่เสมอสมาทหังนุ่มอยู่เสมอสมาทะหังนี่แข็งแรงอยู่เสมอสมาทหังสมาทหะเนี่ย นุ่มอยู่เสมอแข็งแรงอยู่เสมอสมาท่าห์ทำอย่างไรเราก็ต้องศึกษาสิ่งเหล่านี้ศึกษาธรรมชาติต้องฝึกฝนอบรมฝึกฝนอบรมตัวเราให้เกิดความรู้ให้เกิดความเป็นอัตโนมัติเป็นสัญชาตญาณเลยมันอยู่ที่ตัวเราเลยเป็นสัญชาตญาณที่สามารถที่มีไหวพริบรับรู้เลยรู้แล้วอะไรวันดีรีบปรับเพราะอันใดดีปรับให้มันเอออะไรไม่ดีอะไรบกพร่องปรับให้มันดีช่วยเหลือเพื่ปายเราจะเป็นผู้ช่วยโลกทั้งโลก ยิ่งใหญ่นะฟังแล้วดูยิ่งใหญ่นะช่วยโลกทั้งโลกใครเขาทำลายบันเดอลของเขาบาปของเขากรรมของเขาใครสร้างสรรก็เป็นบุญของเขาเราจะสร้างสรรเราจะสร้างบุญเราจะเป็นผู้มีบุญเราจะเป็นผู้ที่มีคุณค่าเราก็เป็นคนผู้มีบุญเป็นผู้มีคุณค่าใช่ไหเราทำของเราให้ได้จริงๆเอาแต่เรียนเฉยๆมันก็ได้จะรู้มันไม่เป็นไปอะ ถ้าเราเอามาฝึกฝนไปฝึกฝนจริงๆทําเรื่อยๆอบรมให้มันเกิดสัญชาตญาณมันเกิดจนเป็นสัญชาตญาณ น, นั่นแหละอบรมให้เกิดความชํานาญความคล่องความเป็นได้อย่างง่ายดายเป็นได้ติดตัวประจําตัวเป็นได้โดยอัตโนมัติเป็นได้โดยเป็นสัญชาตญาณประจําตัวเลยเดี๋ยวว่าจะแค่เป็นนิสัยเป็นสัญดานเท่านั้น เ, เป็นเลยจริงๆกับตัวเรา สิ่งใดที่มันไม่ดีเราก็เลิกมาให้ได้โดนเด็ดขาดไม่เป็นสิ่งใดที่ดีเอามาเป็นให้หมดเป็นได้จนคล่องตัวนั่นนะนี่ก็เราก็จะต้องมีสำนึกจริงๆนะสำนึกจริงๆเห็นดินน้ำไฟลมเพื่อใให้มีนิสัสยไปเลยเนี่ยเป็นชาวอาโศกพวกเราเนี่จะต้องดูแลไม่ใช่ไปดูกันมากเกินไปเรานะก็ศึกษาไป เด็กก็เลยไม่ต้องเป็นทำอันทำอะไรโอ้โนี่ดินนี่มันยังไม่ดีมันมันเข้งอมแม่นี่มันไอ้นี่มันยังไม่ดีหน้าตรงนี้ยังไม่ดีมันเขบปงอมอยู่ไปถึงไหนก็ที่นั่นมันก็มีให้ปรับทั้งนั้นแหละในโลกมันเยอะเลยกลายไปไปตกที่บ่อไหนก็เลยอยู่ที่บ่อนั้นอตายกันพอดีเอาต้รู้ความเหมาะความควรด้วยว่าเราทําอะไรเหมาะควรแค่ใดอจะต้องเข้าใจเราจะทําได้เพราะเรากลายเป็นผู้ที่ไม่มีภาระมากเหมือนชาวโลก ชาวโลกเขามีภาระมากเพราะเขาเองเขาต้องแย่งต้องชิงกันแล้วเขาต้องมีเวลาไปบำเรอตนต้องหาอะไรบำเรอตนคนเรานี่ตัดเรื่องบำเรอตนออกไปอย่างเดียวนี่คุณก็จะเห็นได้แล้วย่งพวกเรานี่มาตัดสิ่งที่แต่ก่อนล้งไหลติดจุดอเด็ดอร่อยต้องบำเรอตนต้องมากต้องไม้ตัดสิ่งที่บำเรอตนออกแค่นี้เราก็เห็นชัดแล้วว่าโอ้โหเรามีเวลาแรงงานทุนรอนมากกว่าเขาเยอะเยอะใช่ไหม แต่ก่อนนี่โอ้เวลานี่มันไม่พอเลยตื่นเช้าขึ้นมานี่ยบำเรอตนตั้งแต่ออกมาจากที่นอนอ่าบำเรอตนสารพัด ส, สารเพต้องใช้แรงงานต้องใช้พฤติกรรมใช้วัตถุใช้อะไรก็ไม่รู้มากมายบำเรอตนไปแต่แตแตวันวันหนึ่งไม่ต้องไม่รู้ตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่ว่าเราเลิกบำเรอตนแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนก็คือโลกียสุขนั่นเอง เราเลิกละโลกีสุกนั่นเองเราก็เข้าสู่โลกุตระไม่จะต้องเป็นไม่ต้องเป็นธาตุอยู่เนื้อมันและจนกระทั่งเรารู้ความพอเหมาะพอดีของธรรมชาติจนกระทั่งเราอยู่เหนือธรรมชาติอีกเหนือธรรมชาติสูงสุดก็คือสิ่งที่เราหนึ่งเราอาศัยสองเราเลิกเลยกับธรรมชาติเลิกเลยไม่ต้องก่อไม่ต้องสร้างต่อไม่ต้องเกิดต่อ แต่สิ่งใดจะชะลอที่จะต้องอาศัยต้องเกิดไปอาศัยไปอยู่เราก็ทำพอสมควรชีวิตเราอาศัยร่างกายเราอาศัยเราก็อ่ำให้มันกินอาหารให้มันได้รับธาตุที่จะสังเคราะห์ไว้เราจะอาศัยอะไรเราก็พอเป็นชะลอไปชะลอไปจนกว่ามันจะถึงความจบมันยังไม่จบมันยังไม่ถึงที่สุดแล้วก็ไปเรื่อยๆถ้าถึงที่สุดจริงๆจะศูนย์เลยจะสูเ์สเลิกไม่วนเวียนอย่างไรธรรมชาติคือความเกิดอยู่มุนเวียนธรรมชาตินี่คือความเกิดอยู่อย่างวนเวียน เนือสุดเหนือธรรมชาติก็ศูนย์เป็นปรินิพานแม้แต่จิตวิญญาณที่เป็นธรรมชาติเมื่อเวลาปรินิพานแล้วจิตวิญญาณก็หมดเชื้อสืบต่อตัดสังสารวัตรหมดจริงๆคุณจะเชื่อหรือยังไม่เชื่อก็าตามในขณะนี้คุณยังไม่เชื่อก็ได้ก็ไม่จําเป็นจะต้องเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้จริงปรินิพานมีจริงแล้วจิตจะไม่ต่อจริงๆจะมีหรือคุณยังไม่เชื่อก็ได้ แต่คุณี่สูจนไปแล้วว่ามันมีตั้งแต่เดี๋ยวนี้บางเหตุบางปัจจัยนีนเราหยุดเกิดกับมันแล้วไม่เกิดกิเลสกับมันแล้วไม่เกิดตัดวัตตะในเหตุในปัจจัยบางเหตุบางปัจจัยเราเรียนรู้แล้วเราก็จะรู้ว่าเออนี่มันหมดวัตตะถอนอนุสัยอาสอเห็นด้วยปัญญายานมีอุปโตภาคโวมุตจิตแน่จริงเลยว่าไม่ไม่เกิดอีกกิเลสในจิตในเหตุปัจจัยนี้ไม่เกิดอี ก, ก, นน ก, อกละปัญญามันรู้รอบชัดเจนเลยว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเกิดกับมันอีกไม่มีคุณค่าอะไรแล้วก็พอกระทึง มันก็พอได้จริงๆไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันอีกตัดเด็ดขาดคุณมีอำนาจพลังทางจิตแล้วก็มีปัญญารู้ความจบความหยุดอย่างแท้จริงคุณบจบคุณหยุดได้ด้วยพลังจิตที่ถูกต้องญาณปัญญาก็รู้ว่าไม่เกิดอีกไม่ต่ออีกมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่ต่ออย่างแท้จริงคุณตั้งแต่เหตุปัจจัยหนึ่งสองสาสี่หคุณก็จะแน่ใจว่า เออมันจริงได้เป็นได้อะไรในโลกเมื่อเราไม่เอามันทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นเมื่อเวลาเราจะไม่เอามาถึงที่สุดมันก็มันก็หมดได้แม้ดีแม้สิ่งที่วิเศษเลิศยอดจะดีขนาดไหนก็ตามที่มนุษย์จะพึงได้พึงเป็นแล้วเราก็ไม่ไปหลงไหลได้ปลือมไม่ติ ด, ด, ตดทําดีก็ไม่ติดดีนี่สั่งดีนี่ได้ยังไงยังไงเราก็ไม่หลงมาเป็นของเราไม่ติดไม่เอาอีกคุณจะปริทิพานเมื่อไหร่กับปริทิพานได้ถ้าไม่ปริทิพานยังจะต้องมาเป็นตัวสร้างดี เกือ้อกูลอุ้มชูอนุเคราะห์โลกอยู่คุณจะเกิดมาอีกกี่ชาติกี่ชาติอีกอยู่คุณยังมีใจเอาสิก็ได้ก็เหนื่อยก็ทุกข์อาหารรบปริเยัติทิฐทุกทุกที่จะส่งแสวงหางานการของพระอริยเจ้าก็ทุกแต่ทุกอย่างนี้เราทนได้เออทนถ้าคุณยังทนอยู่ยังพอใจที่จะเกิดแม้คุณจะมีสิทธิ์คุณจะรู้แล้วว่าคุณจะเลิกจะหยุดจะจบจะไม่หมุนวนเวียนจะหมด ตัดสังสารวัตรอีกคุณตัดได้อย่างแท้จริงแต่คุณจะไม่ตัดก็เป็นสิทธิของคุณเป็นอิสรเสรีภาพสมบูรณ์จริงๆเราจะเกิดมาเกื้อกูลช่วยเหลือเฟื้อฟาโลกนี้อยู่อีกต่อไปมันก็ไม่เสียสิ่งเสียหายพระโพธิสัตว์จะเกิดบนเวียนมาอีกกี่ปางกี่ปาง ก, างกี่นานับชาติโลกไม่ได้ขาดทุนเลยโลกไม่ได้เสื่อมเสียหรือโลกไม่ได มีพิษมีภัยอะไรเพรา ะ, ะ, ะพระโพธิสัตวพระบริษัตว์นี่ย่อมเป็นคุณค่าประโยชน์ของโลกอยู่อย่างนั้นไม่แปลกจะเกิดเท่าไหร่ท่านทนทุกข์ของท่านได้ท่านยังพอใจจะอยู่กับทุกข์นั้นอีกอยู่เพราะมันยังมีทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่หวอะไรแต่ทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราไว้แล้วว่าทุกอุเบกขาอันจะตัดปรินิพพานได้เราเรียนรู้จบแล้วสบายนี่จบแล้วจะจบเมื่อไหร่ก็จบไม่จบจะต่อกันตามใจ ไม่มีใคราบังคับอิสระเสรีภาพที่สุดจึงเรียกว่าเหนือจริงๆเหนือโลกเหนือพระเจ้าเหนืออะไรอะไรหมดอะไรมาบังคับอะไรมาบงการอีกไม่ได้เลยตนเองบงการตนเองเท่านั้นเนะทตมาพูดนี่เนี่ยหลายคนเขายังยังไม่ได้ฟังหรอกยังไม่ได้ยินอย่างที่อาตมาพูดแล้วเทระวาเขาก็ไม่ได้เข้าใจอย่างนี้โพลิสัตถเขาก็ไม่เข้าใจ เพราะเขาไม่เอาฐานพระโพธิสัตว์แล้วมันก็เอียงไปข้างเทรวาสจนไม่ได้อรหันที่แท้ทางด้านมหายานก็เอียงไปทางด้านโพธิสัตว์จนไม่รู้อรหันอีกแหละเนี่ยมันสังเกตไปมากแล้วแท้จริงแล้วอรหันกับโพธิสัตว์ก็เคยอธิบายฟังแล้วมันเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันโดยแท้เลยอรหันคือผู้หมดความเห็นแก่ตัวคนที่หมดความเห็นแก่ตัวเราจะเห็นแก่ใคร คนที่หมดความเห็นแก่ตัวจะแท้จริงแล้วยังมีลมหายใจยังมีกําลังวังชา ย, ยังมีสมรรถภาพยังมีความขยันหมั่นเพียรยังมีเมตตาเกื้อกูลจะเห็นแก่ใครจะทําอะไรนั่งอยู่เฉยๆเหรอไม่ใช่ก็มันมีเมตตาเกื้อกูลเอื้อเฟื้อช่วยเหลืออ่ามันไม่ได้แคร์อะไรเนี่ยมันไม่ได้กลัวความอ่าเมื่อยอะไรเนี่ยมันไม่ได้ขี้เกียจขี้คลานอะไรนี่มันขนควายขยันหมั่นเพียรรู้จักคุณค่าแห่งความประเสริฐ คุณค่าแห่งความดีงามที่มนุษย์พึงเป็นพึงมีทําได้ไม่หลงไม่ติดไ ด, ไ ด, ด, ด, ไ ด, ไ ด, ด้ได้แล้วด้วยจะทําดีก็ไม่หลงดีไม่ติดดีได้แล้วด้วยอยจะไปถูกร้อนอะไรก็สร้างไปสิทําไปสิเพราะร่างกายชีวิตนี่มีให้ทําให้ใช้มันนี่อัตมาเคยบอกว่าไอ้นี่ก็คือกากเดนของอวิชชากากเดินของอวิชชาคือกลไกลชนิดหนึ่งคือเครื่องกลอัตมาเคยเทียวบว่าเหมือนกับรถยนต์รถแข่ง สร้างมันมานะพยายามบูรณะพยายามปรับปรุงเอร่างกายชีวิตนี้ขันท่านี่ให้ดีที่สุดเหมือนสร้างให้รถแข็งเป็นชั้นดีที่สุดสร้างจนดีที่สุดสร้างได้ดีแล้วเราก็ใช้มันจนกว่ามันจะหมดสมรรถภาพศูนย์แตกสลายไม่ใช่ว่าเออบรูรณะมาได้แล้วนะสุสาพัฒนามันมาได้เป็นรถแข็งหรือเป็นเครื่องใช้เครื่องกลที่วิเศษชิ้นเยี่ยมพอสร้างได้เสร็จโอ้เป็น สิ่งพิเศษชิ้นเยี่ยมแล้วเผาทิ้งงั้นเอ่อกันงั้นเอสร้างมาได้แล้วก็เลยเผาทิ้งเลยหรือให้มันนอนอยู่เฉยอย่างนั้นน่ะเหรอมันเป็นสิ่งพิเศษเยี่ยมยอดกว่าอ้าวมันมีประสิทธิภาพอะไรก็ใช้มันสิจนกว่ามันจะพังไปตามสภาพของมันมันต้องเก่าต้องแก่ต้องเสื่อมไปตามธรรมดามันยังไม่เก่าไม่แก่ไม่เสื่อมมันยังใช้งานได้อยู่เต็มที่ใช้มันไปมันถึงเวลามันก็เสื่อมก็พังก็สลายไปเอง ป็นธรรมดาเท่านั้นเองเนี่ยแท่งก้อนของขันธ์ห้านี่มันเป็นแท่งก้อนแห่งประโยชน์แท่งก้อนที่จะทำคุณค่าให้แก่โลกได้พึ่งพิงพึ่งพาอาศัยอยาพระพุทธเจ้าถ้าถึงเรียกพระโลกกันนาเป็นที่พึ่งของโลกพระอริยสาวกก็เป็นที่พึ่งของโลกเป็นเนื้อนาบุญของโลกแต่ว่ามายิ่งใหญ่เท่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละ เพาท่านมีประโยชน์คุณค่าไม่ได้มากเท่าแต่ก็ไล่ลดหลั่นกันไปเท่าที่มีสมรรถภาพเท่าที่มีความจริงที่ได้อบรมบำรุงรักษาหรือว่าสร้างให้ได้แลาวพวกเราต้องเข้าใจให้ดีวทุกอย่างต้องอาศัยการอบรมฝึกฝนเมื่อรู้เข้าใจแล้วองค์มืออบรมฝึกฝนอาตมามัเน้นความจริงกับความรู้ให้พวกเราฟังอยู่ว่าเห็นชัดๆนี ว, ว่าไอ้ความรู้นะ่ะมันก็สักแต่ว่ารู้ รู้แล้วไม่ได้ทำอะไรลงไปนะมันจะเป็นมีอะไรมันจะได้อะไรมันได้แต่รู้รู้รล้วเราไม่ไมทาทำยังไม่เป็นเลยได้แต่รู้อ่ะแล้วเอาความรู้ไปขายกินด้วยนะเอาไปเขียนกินก็ไปพูดบรรยายหากินเอาไปอวดอ้างหากินโอ้ได้ลาบได้ยดัดได้เสริญต่างๆมันจะไปได้อะไรนอกจากโลกกระทำมันไม่ได้ความจริงความรู้ให้มันได้ความจริงมันเหนือชั้นกว่าความรู้นี่เอาไปได้โลกกระท ราคาความจริงนี่แพงกว่าไอ้โลกกระทำต้องไปตุ้นทุนเท่าไรเพราะฉะนั้นเมื่อมีความรู้ก็เอาความรู้นั้นมาก่อให้เกิดความจริงไม่ใช่มีความรู้เพื่อจะเอาความรู้นี้ไปก่อสร้างโลกกระทำโอ้เราได้ความรู้แล้วเอาความรู้แต่เป็นแหลกลาบไปสร้างลาบสร้างยศสร้างสรนเริญสร้างโลกีสูงให้แก่ตัวเองู้เก่าแล้วแต่ก่อนนี้โลกเขาทำเป็นงั้นน่ะเดี๋ยวนี้ก็ยังทํา เพราะงะั้นคนในยุคยงทำอยู่เนีีน้โอ้โหไม่ทันสมัยเลยโ บ, บ, บราณโบราณเหลเกินเขาทํากันมานานแล้วล่ะลุงไอเอาความรู้ไปแลกลาบยศสันเสริญโลกียสุขกันนะเขาก็ทํากันมาตั้งทลายเอาใหม่มังนี่เอาความรู้ไปสร้างความจริงอย่าเอาไปสร้างลาบยศสันเสริญโลกีสุขอยู่เท่านั้นเอาความรู้ไปสร้างความจริงรู้จะความจริงไหมโดยเฉพาะความรู้ทางโลกุตรธรรม รู้ว่ามนุษย์ชนิดใหม่มนุษย์ปราโลกมนุษย์ทิวปุจาแต่คนพบมนุษย์ประเสริฐมนุษย์อรารยะแท้หรืออริยะแท้แท้มนุษย์อย่างนี้เดี๋ยเอามาสร้างสร้างเรามีส่วนเป็นอริยะอยู่เท่าไหร่ได้ก็สร้างสร้างอีกสร้างอริยะคุณให้แก่ตัวเองอีกสร้างเอาไปสร้างไว้ทาจริงๆ ร, รู้แล้วว่านี่ทฤษฎีที่จะสร้างอริยะคุณให้แก่เราเป็นอย่างนี้เมื่อรู้ทฤษฎีแล้วทําลงมืออบรมฝึกฝนสร้างให้มันเป็น ถ้ามันเกิดของจริงขึ้นมาจนได้ต้องเน้นของจริงเน้นความจริงกันความรู้เดี๋ยวนี้มันมีมากมายมากจกนกระทั่งไม่รู้ว่าอะไรอะไรมันถูกต้องแท้เลยเทียงกันนี่โอ้ความรู้สารพัดสารเพมากมายผสมผสมเข้าจนกระทั่งงงไปหมดไอเรื่องอันไหนมันของแท้อันไหนมันของจริงแล้วไม่พิสูจน์นะเอาแต่ถามกันอยู่นั่นแหละแล้วเจ้าไหนมันแท้เจ้าไหนมันจริงเอาไ ด, ได้แต่ถามกันอยู่นั่นแหละไม่พิสูจน์กันเลย บางคนก็พิสูจน์เหมือนกันบางคนไม่พิสูจน์หรอกยืนยันเลยว่าของโอเวอจริงแล้วทําแล้วยังยัง <c oughs> แล้วเรู้อดูได้งไงว่าของเรื่จริงอ่ะก็เชื่อนี่หว่าเออก็แค่นั้นเองก็เชื่อแต่ความรู้ยังไม่ได้ลงมือพิสูจน์ยังไม่ได้ทําเลยถ้าคนเขาได้ทําแล้วเสร็จแล้วก็ว่าเป็นของจริงเป็นยังไงเอาม า, า, า, ายืนยันกันเป็นยังไง มันถึงจะชัดใช่ไหมที่นี้เราก็พิสูจน์อัตมาพิสูจน์แล้วอัตมาพาพวกคุณมาพิสูจน์นอกจากจะบ่าว่าอยู่ในความรู้เราบอกเราก็มีพอมีเหมือนกันความรู้ในอะความจริงเราสิมีความจริงอยู่ในความจริงนี่ไงอวดจะอวดอุตริด้วยน่อดอุตริมุลุศธรรมน่ก็แล้วของที่ไม่อวดแล้วมันมก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เชื่อกันแล้วก็มานั่งงงๆกันอยู่นี่ว่าอันไหนแล้วมันของจริงเนี่ยไม่รู้จะเชื่อข้างไหน ก็ลัคนาซีงั้มันก็เป็นพิษเป็นภัยอยู่ในสังคมอยู่เดี๋ยวเนี้ยมันก็เป็นความวุ่นวายเป็นความงงงวยอยู่เนี่ยเลยไม่รู้จะเชื่อเจ้าไหนก็เจ้านี้แล้วนี่มีหลักฐานมายืนยันนี่ของจริงเนี่คนลดโลภลดโกรธลดห ล, ลงได้นะคนเสียสละได้จริงนี่คนทํางานไม่เอาเงินเอาทองด้วยก็มีนะคนกินน้อยๆใช้น้อยๆได้ก็มีนะต่างหน้าต่างตานี่เขาจะบอกว่าหลงงมงายในบุญก็ช่างเหอะเนี่ยทำเสียสละ ทำบริจาคทำทานทำแจกจ่ายเอื้อเฟื้อให้แก่คนอื่นนี่แหละเราจะว่างเงี้ยเขาจะว่าไอนาโง่กัว่าไปเขาจะเรียกผู้หญิงยังไงก็เรียกเขาเองนะผู้ชายเขาเรียกไอนาโง่แต่ผู้หญิงเขาก็เรียกยังไงก็ว่าอาตมาไม่ว่าผู้หญิงรู้สึกว่าวันไม่คล่องปากแต่ถ้าไอเนี่ก็พูดกันเยอะก็พูดตายกับเขาผู้หญิงเขาไม่เคยพูดกันอะไรมาก็ไม่เคยพูดด้วยเขาจะว่าเรียกไอนาโง่ดูที่นี่อะไรกันโง่เงาให้เขาคนเขาใช้ เอาดีแล้วนี่เราเข้าใจความจริงในตัวเราเนี่ยนะเราเข้าใจแท้ๆเลยว่าเราไม่ได้งมงายนะเราไม่ได้หลงเลยนะเรามีปัญญาเราว่าเราเข้าใจนะว่าอันนี้มันเป็นคุณค่ามันเป็นสิ่งดีล้วเต็มใจเป็นน่ะเขาจะว่าก็เข้าใจจะประชดประชันแดงดันกระแทกกระทันยังไงก็เข้าใจเขาจะว่าน่าดานกระแทกให้ไว้ว่าประชดให้ก็ยังไม่น่าดาน ก็จะว่าก็าว่าก็ในเมื่อเราแน่นอนมั่นใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีจริงแล้วแล้วก็ทําสิ่งดีนี่ไม่อายใครจะไม่เปลี่ยนแปลงไปทําไมไ ม, มันดีแล้วอะอาตมาคิดอย่างนี้นะอาตมามั่นใจอย่างนี้อาตมาก็เห็นอย่างนี้สิ่งนี้เราจะทําให้มันดีดีแล้วเราทําได้แล้วเราก็ไม่ทุบร้อนอะไรจริงๆแล้วก็สบายๆแล้วเราก็เห็นว่าเราก็สบายจริงๆเ้วก็ทํา มันไม่ได้ไปเบียดเบียนโลกไม่ได้ไปเบียดเบียนสังคมไม่ได้ไปเบียดเบียนอะไรใครถ้าจะเมื่อยก็เมื่อย เ, เราเองแล้วก็พอใจจะเมื่อยเลยเมื่อยแล้วเราก็พักไม่เมื่อยแล้วก็เพียนเมื่อยพอเพียนอยู่แล้วก็เพียนต่อมันเมื่อยพอพักสมควรพักเราก็พั ก, พ ก, พกเราไม่ได้ไปเอาเปรียบใครเราทำของเราเราว่าก็ดนไปตบกวนใครเบียดเบียนใครก็เปล่าเราไม่ได้ทําใครจะมาทําอะไรเราได้ เรามีแต่ตัวเสียสละสร้างสรรอยู่อย่างนี้ไม่ได้เป็นภาระสังคมไม่ได้ไปให้สังคมมันต้องมาเดือดร้อนกับเราเพราะเราไม่ไปบิดเบียนเขาดีไ้ยคนอย่างนี้เนะดีไหมอาตมาว่าก็นั่งฟังกันรู้เรื่องทั้งนั้นบางครั้งมันต้องอาศัยอบรมเราจะเห็นได้ว่ากิเลเป็นตัวเจ้าเรือนที่มันเข้าใจเข้าใจแต่ผูดนี้เข้าใจดีนะแต่มันก็ยังเป็นไปไม่ได้คล่อง เพราะงั้นเราปฏิบัติอบรมฝึกฝน ข, ของพวกเราขึ้นมาเรื่อยๆ เ, เนี่ยเราจะคล่องตัวขึ้นมาแล้วมันจะมีของจริงมันจะเห็นความจริงมันจะเกิดสภาพจริงนี่นขึ้นมาเป็นสิ่งยืนยันให้แก่เราแล้วเราจะมั่นใจว่าอ๋อจริงมันดีจริงๆอย่างเนี้แล้วก็เต็มใจที่จะทําดีอย่างนี้เราจะยืนหยัดยืนยันก็นดีใครจะว่าดื้อด้านไม่เปลี่ยนแปลงเขาบอกให้เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยน อ้าวคเราดีแล้วเราจะไปเปลี่ยนไปทำไมแต่มันดีที่สุดแล้วนี้เป็นต้นแล้วเราจะไม่เปลี่ยนจากไม่ดีหรือดีน้อยกว่านี้อ้าวมันดีที่สุดเราจะไปเปลี่ยนแปลงไปทำไมแล้วก็ดีที่สุดมันอยู่อย่างเงี้ยง่ายด้วยดีที่สุดจนง่ายได้แล้วด้วยแลเรื่องอะไรจะไปเปลี่ยนแปลงเก็จะหาว่าดือ้อด้านยึดมัน่นถือมัน่นก็จะเข้าว่ไงแล้วก็ทาสิ่งดีนี้อยู่อย่งงางเงใช่ไ ก็คิดได้กันแล้วนะว่าไอ้ที่มันยังเหลืออยู่คืออะไรรู้ไหมไอ้ที่เหลืออยู่คืออะไรพระหุรีกรรมังังทำให้มากเท่าที่เราทำตามฐานะของเราอันนั้นดีจริงๆเหมือนกันแต่เราจะทำไม่ไหวก็ยอมรับคนให้ทำไหวก็อนุมโมทนาด้วยย่อกย่องเชิดชูกันคนที่ทำได้เหนือกว่าเราดีกว่าเราถูกต้องได้แข็งแรงกว่าเราก็าบูชาเคารพกัน อันไหนที่เราทําได้ก็ทําไปเป็นหลักเป็นแกนไปเรื่อยๆอันไหนที่มันยังไม่แข็งครองยังไม่ชํานาญยังไม่เป็นไปอย่างดียังฝึกฝนอบรมกันไปอ่ามันก็จะได้จากฝึกฝนอบรมนี่แหละอยู่ดีๆคิดเอาง่ายๆทีไหนพอเราก็ฝึกฝนอบรมกันมาแม่ก็รึกว่าเราทํานานแล้วนะแข็งครองแล้วนะมันจะมั่นคงแล้วนะเออบางทีมันยังขี้เกียจเลยงทีหลีกมันหน่อยไว้หลบมันนิดนี้ บายให้คนอื่นบ้างเถอะตอนนี้บางสิ่งบางอย่างเราชำนาญแล้วโดยซ้าไปนะทําได้ชํานาญโดยซ้ำไปยังบางอารมณ์ยังบอกคุณเมย์เราขอบายบายบ้างเถอะหลบหบเล็กเล็กเลเหลี่ยงเหน่อยเถอะคุณทำบ้างสิอะไรเงี้ยมันยังมีเลยใช่ไหมนั่นก็คือความความมีตัวของเราตัวตนของเรามันยังอยากจะอยู่ว่างๆเราก็เข้าใจอยู่ว่างๆตอนที่เราไม่เมื่อยนะ ถ้าเราก็ไม่เมื่อยไม่เปรียบไม่เพี้ยไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับชีวิตร่างกายอะไรของเราอยู่แล้วโอกาสก็มีก็ทํำไมไม่ทํำสะละก็ทำํำก็เท่านั้นเองก็เป็นอะไรไปทําแล้วมันก็ไม่ได้ปั๊ปุ๊บม่ก็จะเมื่อยปั๊บเมื่อยไรทําแล้วมันก็สั่งสรรค์ทําแล้วมันก็เป็นคุณค่าเมื่คนเข้าใจถูกต้องหมดทุกมุมทุกเดียมอย่างที่อาตมาพูดเนี่ยมันไม่มีทางเถียงเลยว่าคนเราจะไม่ดี มันก็เป็นคนดีมันก็ต้องอยู่อย่างดีๆอยู่อย่าง perseverance กิเลสจะเป็นตัวเกล็ดคลาดเป็นตัวเห็นแกตตัวเป็นตัวที่ยังหลบยังเลี่ยงเป็นตัวที่ยังไม่เต็มกําลังมันยังไม่มีพละอินทรีย์เต็มที่แล้วก็แก้ไขมันไปอบรมมันไปฝึกฝนมันไปจนกระทั่งเห็นว่าโอ้ยอย่าไปมีอาการชั่วอย่าไปมีความรู้สึกนึกคิดที่ชั่วเที่ยงไม่ดีนี่เลยจงมีความรู้สึกนึกคิดที่ดี มีอาการของจิตที่ดีแล้วก็ฝึกฝนดีดี ด, ดีจนกระทั่งมันทําชั่วไม่เป็นขี้เกียจไม่เป็นแม่ธรรมาอยากเห็นคนขี้เกียจไม่เป็นจริงๆนะโอ้อยากจะเห็นจริงๆมันขี้เกียจไม่เป็นขี้เกียจเขาเป็นยังไงนะแม่วัฒนธรรมของสังคมกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งนี่นะมันไม่มีวัฒนธรรมแห่งความขี้เกียจว่าเงนินนะลูกเด็กเล็กแดงเกิดมาเกิดมาเกิดมา ไม่รู้ความขี้เกียจเป็นยังไงเลยทุกคนขยันมันเพียนมีกระจิตกระใจมีความเอาทา น, นข้นควายอุตสาหะภาคเพียนขยันอย่างต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆมีอิธิบาตเต็มแต่แล้วไม่มีตัวอย่างความขี้เกียจเลยขี้เกียจไม่เป็นพฤติกรรมขี้เกียจไม่มีให้เด็กเห็นเด็กไม่จะทำเป็นเนะเกิดมารุ่นหลังๆมันวัฒนธรรมอย่างนี้เด็กมันก็ทาไม่เป็น แล้วเราก็สอนมันแนะนำมันจะจิตวิญญาณมันสะอาดบริสุทธิ์อีกเหมืนเราไม่มีเชื้อแห่งโรคขี้เกียจนะโรคนะเชื้อโรคขี้เกียจไม่มีเลยในจิตวิญญาณแม่พูดไปแล้วมันไกลเหลือเกินนะมันรู้สึกว่ามันสูงส่งเหลือเกินนะมันไกลเกินเพลหระอว่ามันไม่ไกลเกินเพอนะอาตมาว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นพราเราจะมาสร้างจารีตประเพณีวัฒนธรรม จะมาสร้างสิ่งอย่างนี้แหละจะว่าแต่ความขี้เกียจเลยไม่แต่สิ่งเยียบหยาบที่ง่ายกว่าขี้เกียจไอขี้เกียจมันอาจจะยากหน่อยก็ตามมันจะเลิกล้างมันไม่ใช่ขี้เกียจมันยากหรอกนะขี้เกียจน่ยมันง่ายแต่ว่าเราจะเลิกล้างขี้เกียจเนี่ยมันยากมันหมดมันสิ้นไปเนี่ยมันจะยากก็ตามอันอื่นที่มันง่ายกว่านี้เรามาทําทําไปแล้วมนุษย์เราจะต้องประเสริฐต้องดีอย่างที่ว่านี่เรายั่งกุศลให้ถึงพร้อมสร้างกุศลให้ถึงพร้อมเกิดมาเป็นมนุษย์เข้าใจให้มันถูกต้องจริงๆเลยว่า เราจะเป็นมนุษย์อย่างไรเลือกเอาไม่ได้มาบังคับกันเลยนะเลือกเอาเกิดมาเป็นมนุษย์จะเกิดอีกกี่ชาติก็ตามรู้อย่างนี้เป็นอย่างนี้กูยังจะเป็นอย่างนี้อยู่อีกกี่ชาติก็ไม่มีใครบังคับอิสระเสรีภาพของเราอาตมานี่ยังบอกคุณได้ว่าอาตมายังจะเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ขนาดนี้อยู่กันอย่างเงี้ยแล้ว ก, กินกันอย่างไม่ได้บมเรอไม่ได้มีรุ่มรวยมากมาย เมือไกบางหมู่บางบ้านบางสังคมเขามีไอ้หนอนบำเรอือมีแตะเอียมีเงินแจกมีเข้าของบำเรอให้ไอ้นนี้ยางเราเนี่ยมันไม่ง่ายนะถ้าไม่มีภูมิธรรมไม่มีความสามารถไม่มีสัจจะความจรงิงอะไรที่มันเป็นสัจจะความจรงิงนี่อาตมาว่าพวกคุณอยู่ได้หรือว่าอาตมาทาให้คุณอยู่ได้เนี่ยเพราะควกคุณก็รู้สัจธรรมของพวกคุณนะ ถ้าพวกคุณแต่ละคนไม่รู้สัจธรรมต่างๆเลยว่าเอ๊ะดีคืออะไรชั่วคืออะไรอยู่กันทะเลาะกันมันเถอ ะ, ะไม่รู้แล้วว่าสัจธรรมคืออะไรทะเลาะกันนี่มันใจศัจธรรมศัจธรรมไปเอาไม่เอาอะแย่งชิงมันเพระวะ่าอยู่อย่างนี้โลภโมโทสัญญยากกินอยากอยู่อยากจะหัหอก้นผิดยังไงก็เอาสเปสปะมันจะไปอยู่กันได้ยังไงต่างคนไม่ต้องเอาอะไรมากขนาดนี้ทุกคนเดินอยู่ ท, ที่เนี่ต่างคนต่างเลิกละไม่สังวรละไม่สัมรวมละฮะ ไอ้ที่เดิมๆ เ, เรามันมีอยากจะได้อะไรอยากจะเป็นยังไงฉันจะเป็นอย่างนี้ทันทีพวกคนคงจะต้องหาละอาล ะ, อาละเอาผีตัวเดิมมาเข้าเข้าตัวตัวเองซะทุกคนนะฉันแต่ก่อนเคยอย่างนี้แล้วพอใจฉันอย่างนี้จะกินจะอยู่จะใช้จ ะ, จะสอยจะเป็นจะไปจะมาจะมีจะอะไรฉันก็อย่างนี้เนี่ยพวดเดียวเต็มที่เลยเนี่ยมันจะไปอยู่กันได้หรออยู่ไม่ได้ใช่ไหม แต่ที่มันอยู่ได้เพราะคุณรู้ดีอันนั้นแล้วคุณก็ได้สลายไอ้สิ่งไม่ดีสลายไอ้สิ่งไม่ดีจนหลายอันคุณจะไปกลับไปทําอย่างเก่าคุณก็ทําไม่ได้แล้วไอ้ที่ไม่ดีนะแต่คุณก็มาทําดีมาทําดีอะไรที่มันดีคุณก็สังวรสํารวมอยู่ตลอดเวลาแม้มันยังจะมีกิเลสตัวเชื้อที่มันยังดุนยังดันอยากจะทําอยู่บ้างคุณก็กํำราบมันสึกผลมันอบรมมันฆ่ามันลดละมันอยู่เนี่ยต่างคนต่างมีสภาพอย่างนี้ มีองค์ทำอยู่อย่างสังวรสํารวมกันจริงๆไม่ใช่ไม่สังวรสํารวมมันก็อยู่กันได้สิ่งเลวร้ายออกไปหมดสิ่งยังอะไรที่มีเหลืออยู่บ้างจะต้องปะทะกันบ้างอยู่ยังขัดยังแย้งยังทะเลาะเบาะแวงแย่งชิงอะไรกันบ้างเอาไอ้ตัวที่มันยังไม่หลงร่องลงรอยกันต่างคนต่างค่อยๆระมัดระวังต่างคนต่างเก็บมันก็อยู่ได้มันไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะไม่ได้เอาอามิตรสินจ้างมาลอกคนเออคุณอยู่เนี่ยจะขึ้นเงินเดือนให้ เอาโย่นี่จะให้จะ ต, ตั้งยศตั้งลาบอะไรให้ไม่มีไม่ได้มาบอกคุณอย่างนั้นได้ไม่มานั่งได้ยกยอปอป้อนกันด้วยนะมานั่งกับปรญญาัญญาวุยดีจริงวุ้ยเก่งจริงงอนเงี้ยชมเชยวะลาสามเวลาเอาเหรียญตรามาให้ไประเดี๋ยวสิ้นปีก็พิจารณาให้เหรียญตรากันเลยไม่มีนี่ใช่ไหมจะคําสรรเสริญยันยอยกย่อ ง, อ ง, องกันทีนึงก็แหมยังกับพิคุณจะหลุดจากปากมีตติกันโขกกัน ขัดเกลากันซะส่วนมากใช่ไหมแต่เราก็เข้าใจว่าคืออะไรมันได้ดีหรือไม่ไม่ได้ดีเราก็รู้แล้วก็อยู่ได้อย่างความเข้าใจอย่างมีปัญญาอันยิ่งไม่ใช่ว่าได้อย่างงมงายมีความเข้าใจจริงๆเนี่ยอาตมาพูดได้เห็นซับซ้อนลึกซึ้งให้ฟังให้ชัดๆเพราะสังคมของคนที่พระพุทธเจ้าท่านพาเป็นเนี่ยอาตมาว่าโอโหวิเศษประเสริฐจริงๆ พิเศษประเสริฐอัตมายังเอาวิสิง ล, ลึกซึ้งละเอียดละออของพระพุทธเจ้ามาพูดยังไม่หมดนะาอาตมายังนึกไม่ออกก็ยังมีที่เอามาพูดของพระพุทธเจ้าที่ว่าที่ ว, ว่าประเสริฐเนี่ยมนุษย์ความประเสริฐเป็นยังไงคุณก็ฟังด้วยเหตุผลคุณก็ฟังด้วยญาณปัญญาเวนิฉัยเอาเองว่าที่าอาตมาพูดไปแล้วประเสริฐจริงหรือเปล่ามันเป็นคนที่มีคุณค่าจริงหรือเปล่าหรือว่าที่พูดไปเนี่ยโอ้มันไม่จริงอ่ะคานแย่งได้ก็แย้งไปสิ ถ้าคุณแย้งได้คุณก็แย้งแย้งอย่างเห็นชัดเจนเลยว่าอาตมาพูดนี่ผิดคุณก็ไม่เอาก็ไม่ต้องเอาก็ไปเอาไอสิ่งที่เราเห็นดีใช่ไหมแต่นี่มันดีอาต ม, มาว่าไม่ได้มาปลาบประโลมไม่ได้มาหลอกลวงอะไรอาตมาพูดจักใจจริงอาตมาจะเอาอย่างนี้ ค, คุณมาเอาร่วมก็เอาสิอาตมาแล้ก็ประสงค์จะให้คนมาเอาอย่างนี้ให้มากๆด้วยแล้วจะพิสูจน์กันคนมาเอาอย่างนี้มากๆมาเป็นอย่างนี้มากๆมาฝึกฝนอบรมเป็นอย่างนี้มากๆแล้วสังคมคนกลุ่มนี้กลุ่มอย่างนี้แล้วก็มีคุณธรรมอย่างนี้ เป็นคนประเภทนี้แหละสร้างคนให้เกิดมาเป็นคนมีมีคุณลักษณะคุณลักษณะอย่างนี้แหละอย่างที่อาตมาพาไปพาเป็นนี่แหละและ้วอาตมาบอกว่าอาตมาเอ า, เอามาจากของพระพุทธเจ้านี่แหละพิสูจน์กันสังคมคนกลุ่มนี้ก็สังคมคนอื่นๆที่เขาอย่างอื่นดีๆอย่างไหนเขาาก็สร้างของเขาเหมือนกันเขาก็สร้างสังค ม, มกันเหมือนกันสร้างกลุ่มหมูรสร่สังคมมาแข่งกันมาพิสูจน์กันว่าอย่างไรมัน มีอิสระเสรีภาพมีพระราดรณภาพมีสันติภาพมีสมรรถภาพมีบูรณภาพดีกว่ากันเอ้ามาใครได้ใครดีใครได้จริงจัง่ากันก็เอามาเทียบกันดูกันได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่อาตมาก็มาย้ำกับพวกเราอีกตอนนี้พวกเราก็มีฐานะมีฐานะมีการงานมีกิจ ที่เป็นโลเป็นพายเป็นสิ่งที่เราทําอยู่กับสังคมก็มาดูถูกดูแคลนเราไม่ได้ไม่ใช่ศาสนาพุทธสอนบนระบบดูสีระบบพวกที่จะออกป่าเขาทําตัวใครตัวมันคนไหนบรรลุแล้วไม่เอาแล้วโลกปู่เนื้อโลกนี่ก็เป็นนางหลับหูหลับตาไม่มีอะไรไม่สร้างไม่ซันอะไรตื่นเช้ามาก่องั้นน่ะอมกี้ฟันไปมาเด็กก็กินกินแล้วก็เด็กก็ขี่เด็วก็เหยียดเด็กก็นอนพูดบังไม่ผูดบังไม่พอใจก็ไม่ต้องผูดไม่รับแขก โลกจะเป็นยังไงจะไปตายยังไงจะมีเสื่อมเสียยังไงจะทุกข์จะร้อนยังไงฉันไม่เอาแล้วก็โลกฉันหลุดมาจากโลกแล้วโลกคุณจะเป็นยังไงคุณก็เป็นของคุณดีฉันไม่เกี่ยวหรอกจะเอาตาดูหูแลจะช่วยเหลือเฟืองฟายเกื้อกูลเขามั่งไม่มีรอวันตายเดินทางไปสู่รุมฟังศพอย่างนั้นนะเสนาอรมาก็น้ำมาพูดทุกๆแง่ทุกๆเชิงให้พวกคุณได้เห็นเปรียบเทียบว่า ไอ้ความเข้าใจอย่างนั้นน่ะสร้างคนให้เป็นคนลักษณะอย่างนั้นก็อย่างที่อาตมากําลังพาทำเนี่สร้างคนเป็นลักษณะนี้นะอาตมายืนยันว่าลักษณะนี้ของพุทธ ล, ลักษณะอย่างนั้นมันของฤษีมันผิดพลาดมาแล้วนี่แม้แต่ในาศาสนาพุทธของในเมืองไทยเทระว่าในเมืองไทยก็เข้าใจเพี้ยนไปอย่างนั้นกันซะมากแล้วหลุดพ้นอย่างนั้นไม่ง่ายๆใครไม่รู้เรามาหลุดจริงๆเลยหลุดออกไปจากหมู่สังคมมนุษย์เลย ไปอยู่โดดเดียวเดียวดายไปอยู่ก็ยังไม่เกี่ยวไม่ข้องอะไรจริงๆหมากรุกชั้นเดียวอย่างนั้นใครก็เข้าใจแต่นี่มันหลุดพ้นประเภทที่มันหลุดพ้นต่ออํานาจโลกียะลาภยศสันเสริญโลกีสุขหลุดพ้นมาจากสิ่งที่มันเป็นอกุสลทุจริตหลุดพ้นมาจากสิ่งที่ไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์หลุดพ้นมาเป็นผู้มีประโยชน์มีคุณค่าเสียสละสร้างสรรค์่งเป็นคนที่รู้โลกโดยโล ก, กวิทู เข้าใจโลกรู้เท่าทันโลกอะไรที่มันเลวร้ายเราไม่เป็นอะไรเป็นสิ่งตัวตามสิ่งช้าไม่กระทําเลยสรรพปาปัสะกระนังอะไรดีขนขวายยังไม่ถึงพร้อมพยายามสร้างสรรคุศลสิ่งที่เป็นกุศลให้ถึงพร้อมเสมอๆด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆจริงใจจริงจังนะสัจจิตตปะโยชนัปนังเนี่ยด้วยใจบริสุทธิ์จริงใจจริงจังจริงๆในสะอาดบริสุทธิ์อยู่ในนี่ไม่ได้ไม่แอบแฝงไม่ได้มีเล่ยมีเหลี่ยมอะไรเลย มีพลังเท่าไหรก็ทําเท่านั้นมีความเฉลียวฉลาดเท่าไหรก็เท่านั้นมีสมรรถภาพเท่าไรก็ทําเท่านั้นมันจะเพิ่มก็เพิ่มให้มันเพิ่มสมรรถภาพเพิ่มความเฉลียวฉลาดเพิ่มพลังได้เพิ่มไม่ได้ย่อย้อนนะมันก็ยิ่งดีสิมีพลังมีสมรรถภาพมากสร้างได้มากยิ่งมากๆให้เขาได้มากๆๆๆแล้วตกต่ําตรงไหนให้เขาได้มากๆ ไม่ต้องไปเอาเปรียบเอารักอะไรใครมีแต่สร้างให้สร้างให้ก็มีแต่บุญมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์อาตมาพูดภาษาไทยไง่ายๆมั้ยยืนยันชัดเจนไม่ได้ไปพูดลึกลับซับซ้อนอะไรเลยมันลึกซึ้งเหมือนกันมันลึกซึ้งเหมือนกันแต่ภาษาไทยไง่ายๆนี่อธิบายแจกแจงให้ฟังแล้วคนจะเห็นว่ามนุษย์นี่มันจะไปยังไงจะเกิดมาจะไปทางไหนเลือกเอาจะเอาทางไหนก็เลือกเอา อาตมายังอบอุ่นนะยังดีอกดีใจพวกเราอยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มมีกิจมีการมีงานมีวงจรของสังคมนี่มันจะครบวงจรเนี่ยอาตมาเอาหลัก4เอาหลักนักบวชนักบริหารนักบริการนักผลิต4หลักเนี่ยคนในชุมชนโลกเนี่ยมันมีหน้าที่การงานสีหลักง่ายๆนี่ที่จึงก็แจกแจงออกไปในรายละเอียดเยอะบริการอะไรต่ออะไรก็เยอะผลิตก็อะไรก็อะไรก็เยอะนักผลิตนักบวชนักบวชก็ไม่เยอะแล้วล่ะ นักบริหารกับบริหารแล้วก็จะจัดแจงให้มันอยู่ในสังคมด้วยกันเนี่ยอย่างไรอย่างไรนักบวชคือผู้เป็นอย่างไรผู้ที่ต้องมาเป็นตัวอย่างเสียสละจริงจังเป็นผู้บริสุทธิ์ที่สุด